เจริญพนท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่และพนักงานต่อเปสาวุกชอทุกท่านนัตมาขอมนโอมทนาด้วยนะที่ทางบริษัทเอ็กโคได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันนะไม่ว่าจะในระดับใดก็ตามทั้งนี้เนื่องจาก คอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นปัญหาสำคัญไม่ใช่ของประเทศเท่านั้นนะเป็นของโลกเลยทีเดียวการกระทาผิดกฎหมายหลายชนิดซึ่งก่อความทุกขยากนะกับผู้คนยกตัวอย่างเช่นการค้ายาเสพติด ก, การค้ามนุษย์นะหรือว่าการลักรอบทำสิ่งผิดกฎหมายโดยและแต่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ การคอร์รัปชันทั้งสิ้นปุอย่างน็คือว่าการกระทําใดก็ตามที่ละเมิกดกฎหมายเนี่ยก็มักจะมีเรื่องของการคอร์รัปชันเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเอาไหมาเข้าไหแล้วการคอร์รัปชันเนี่ยนะมันก็นาไปสู่การบั่นทอนสถาบันหรือว่าหลักการที่สังคม ไม่ว่าระดับประเทศหรือว่าระดับโลกยึดถือสถาบันการเมืองสถาบันการปกครองกระบวนการยุติธรรมแม้แต่สถาบันศาสนาก็ลวนแล้วแต่ถูกกัดกร่อนด้วยสิ่งทรื่เรื่งางคอร์รัปชันทำให้ ไม่สามารถจะอำนวยประโสชดวกกับผู้คนและทำให้ประชาชนเกิดความเสือส่อมศรัทธาตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยนะประชาชนเนี่ยเสื่อมศรัทธานในสถาบันการเมืองความปัญหาการปัญหาความเปลี่ยนแปลงการเมืองที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วง หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันู้ลนแต่สืบเนื่องจากปัญหาการคอรัปชันผู้คนเสื่อมศรัทธาในสถาบันศาสนาส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันมีเรื่องอื้อฉาวซึ่งก็เชื่อมโยงกับเรื่องคอรัปชันเพราะฉะนั้นเนี่ยมั น, เ ป, นเป็นปัญหาที่เราไม่อาจจะมองข้ามเพิกเฉยได้ มันไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่การรับสินบนนะที่นาไปสู่ความไม่เป็นธรรมแต่ผลกระทบที่เลวร้ายเนี่ยมันมากกว่า น, นั้นเยอะอย่างเทียนธรรมายุติยาเนี่ยถ้าผู้คนเสือส่อนศรัทธาในสถาบันข้าโครองประโยชน์ของสถาบันศาสนาเนี่ยมันก็เหมือนว่าบ้านเมืองอก็จะเริ่มไม่มีคือไม่มีแต่และดูที่ว่าใครมีอำนาจเงินมากกว่าและอานาจเงินก็มาถึง อำนาจอื่นตามมาซึ่งรวมถึงอิทธิพลด้วยแล้วก็อิทธิพลที่ว่าเนี่ยมันก็หนีไม่มพ้นอิทธิพลที่ผิดกฎหมายซึ่งก็จะนำไปสู่ความวุ่นวายนะไร้ขีอแปรของของสังคมไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือว่าระดับโลกและสุดท้ายมันก็ไปบั่นทอนทำลายสถาบันครอบครัว เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองถึงอิทธิพลของการคอร์รัปชันแล้วเนี่ยต้องเรียกว่ามันเป็นเสมือนโรคร้ายที่มันบ่อนทำลายความสุดและความมั่นคงของผู้คนทั้งในระดับปัจเจแล้วก็ในระดับที่เป็นส่วนรวมนั้นอนตะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นมันเป็น ปัญหาที่เราควรจะร่วมกันแก้ไขนะและหาทางป้องกันไม่ว่าเราจะอยู่ในส่วนใดของสังคมอย่าไปคิดว่าคอรัปชันเป็นเรื่องของข้าราชการเป็นเรื่องของภาครัฐนะมันไม่ใช่เป็นปัญหาแค่นั้นแต่มันเป็นปัญหาที่มากกว่า น, นั้น เพราะนั้นถ้าการที่มีองค์กรนะไม่ว่ า, าใหญ่หรือเล็กเนี่ยมาถือเอาเรื่องคอร์รัปชันนะเป็นธุระหรือเป็นธุระในเรื่องของการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่น่าเย็นดีอย่างยิ่งคราวนี้เวลาพูดถึงคอร์รัปชันเนี่ยเราหมายความว่าอย่างไรนะคอร์รัปชันที่เราเข้าใจกันเนี่ย ก็คือการได้รับสินบนนะการได้รับสินบนโดยข้าราชการโดยนักการเมืองหรือผู้ที่มีตำแหน่งมีหน้าที่ในทางสาธารณะนะโดยภายในภาครัฐนะอันนี้คือคอร์รัปชันที่เรารู้จักหรือว่าเห็นชัดที่สุดแต่ในปัจจุบันคำว่าคอร์รัปชันมีความหมายกว้างกับานั้นนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของภาครัฐเนทะ่านั้นภาคธุรกิจ หรือแม้กระั้งในสถาบนศาสนาเนี่ยนะมันก็มีความหมายมากกว่า น, นั้นุกอย่างเช่นการยักยอกการยักยอกเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นคอร์รัปชันอย่างหนึ่งะจะเป็นการยักยอกทรัพย์สมบัติของกงสีของส่วนรวมของบริษัทเราก็เรียกคอร์รัปชันถึงแม้ว่า ไม่มีภาครัฐมาเกี่ยวข้องเลยนะการโกงเราก็ถือว่าเป็นการคอร์รัปชันอย่างหนึ่งนะการใช้อำนาจในทางทิชอบนะซึ่งอาจจะรงมาถึงการรีดนาทาเรซนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถึงขั้นเรียกรีดนาทาเรซหรือว่าถ้าเรียกรวมๆคือการใช้อำนาจในทางทีชอบก็เรียกว่าเป็นการคอร์รัปชันชนิดหนึ่งถึงแม้ว่า อาจจะไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นการใช้ในกาที่ชอบเนี่ยเพยื่อผลประโยชน์ตัวเองก็ตามหรือเพื่อเพื่อพวก พ, วก พ, วกพ้องก็เป็นการคอร์รัปชันนะไม่ต่างการขโ ม, มยนะการขโมยทรัพย์ ส, สินของบริษัทนะเราก็จัดว่าเป็นการคอร์รัปชันได้เหมือนกัน นั่นจะเห็นได้ว่าคว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันมีความหมายที่กว้างซึ่ง ถ, ถ้าจะสรุปนะฮะก็มีผู้ที่เขานิยามการคอร์รัปชันว่ามันหมายถึงการกระทำเพื่อสร้งหาผลประโยชน์ที่มีควรสำหรับตนเองและผู้อื่นไอ้คาว่าที่มิควรเนี่ยนะมันความหมายกว้างอย่างที่ตมาพูดมาเนี่ยทั้งเรียกรับสินบนทั้งยักยอ่อทั้งเบียดบงังทั้งโกงขโมย นะหรือว่าใช้นในถ่ายวิชอมเนี่ยเราปัจจุบันเราเรียกเป็นคนอร์รัปชันทั้งสิน้นหรือผู้ยานก็คือว่าเป็นการทุจริตโดยใช้หรืออาศัยอำนาจตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นนะข้อผู้อื่นนีเนี่ยนะอาจจะรวมไปถึงส่วนรวมก็ได้นะคอร์รัปชันเพื่อส่วนรวมมันก็ยังผิดอยู่ดีถึงแม้ว่าจะไมไ่ทำเพื่อตัวเอง เพราะฉะนั้นเนไ่้ว่าคอร์รัปชันในความหมายหรือนิยามที่พูดเนี่ยมันเป็นคอร์รัปชันที่ไม่จาเป็นต้องเป็นเจ้าหน้าที่รับหรือว่าเป็นนักการเมืองนะแม้จะทำงานในบริษัทเอกชนเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กรธุรกิจนะหรือว่าในองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเลยก็ได้เช่น องค์กรที่เกี่ยวกับการบริเป็นประโยชน์สาธารณประโยชน์มูลนิธิหรือแม้แต่กระทั่งวัดนะมันก็สามารถจะมีคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นและอย่างที่เร า, าบอกมันอาจจะไม่ใช่เป็นการคอร์รัปชันหรือทุจริตเพื่อตัวเองหรือพวกพ้องเท่านั้นพวกพ้องในทีนีอาจจะไปถึงญาติมิตรแต่มัน จ, จเป็นการทุจริตเพื่อส่วนรวม เช่นเพื่อประโยชน์ของบริษัทก็ได้อันนี้หมายความว่าก็หมายความว่ า, าเราซึ่งเป็นเจ้าที่ของบริษัทอาจจะมีการแทนที่จะเรียกรับสินบนเราก็ให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อที่จะทําให้บริษัทของเราเนี่ยได้สัมปทานหรือว่าได้ผลประโยชน์จากการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็ได้นังคำว่าเรียกรับสินบนนี้ไม่พอนะ การให้สินบนนะก็เป็นการคอร์รัปชันแบบหนึ่งและในกรณีหลายหลายกรณีการให้สินบนไม่ไม่ได้เพื่อประโยชน์ของตัวเองเลยแต่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมคือเพื่อประโยชน์ของบริษัทใช่มมันก็ผิดเหมือนกันนะก็เป็นคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นเนี่ยการคอร์รัปชันเนี่ยมันจึงไม่จาเป็นต้องเป็นการกระทาในทางทุริเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือเพื่อนพ้อง แต่อาจเจ้าลงใ น, นการกระทําทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในความหมายที่เป็นของบริษัทก็ได้ซึ่งอัตราคิวอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ทางเอกโกเนี่ยก็ให้ความสําคัญเหมือนกันนะว่าทายังไงองค์กรธุรกิจทั้งหลายเนี่ยนะจะไม่ไปส่วนของการส่งเสริมให้เกิดคอร์รัปชันในความหมายที่เป็นการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อจะได้มีความได้เปรียบในเชิงธุรกิจนะแต่ต่อมาก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าเชื่อเหมือนกับหลายคนที่อาจจะนึกอยู่ในใจว่าองค์กรทั้งหลายเนี่ยนะนอกจากจะไม่ส่งเสริมคอร์รัปชันในความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับภาครัฐแล้วเนี่ยในองค์กรเองก็คงจะต้องมีปัญหา เรื่องคอร์รัปชันนะก็คือว่ามีการเบียดบังผลประโยชน์ของบริษัทนะมีการยักยอกนะเงินของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอาตมาคิดว่า น, นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกองค์กรทุกหน่วยงานไม่เป็นแมกกางวัดรนะและนี่คือสิ่งหนึ่งสิ่งเหตุผลที่ว่าทำไมเนี่ย มาเนการเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับโลกคราวนี้ถามว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันที่พูดถึงได้อย่างไรอาตอมาก็อยากจะเตือนก่อนว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่เป็น เป็นเป็นยาหรือแก้วสารพัดนึกนที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้จริงๆเราก็ต้องยอมรับความจริงนะว่าประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยนะหลายประเทศหรือเรียกว่าแทบทุกประเทศเลยก็ว่าได้มีปัญหาคอร์รัปชันมากนะไทยนี่ก็ถือเป็นประเทศที่นับถือพุทธใช่ไหมฮะ ก็มีชื่อเสียงในเรื่องคอร์รัปชันกัมพูชานับถือพุทธศาสนาไหมก็ชอบมีปัญหาคอร์รัปชันมากพมาก่านับถือพุทธศาสนาไหมนับถือกันเรียกว่า 80-90% ทั้งประเทศมีปัญหาคอร์รัปชันนะกาที่หลายประเทศที่เขาไม่นับถือพุทธศาสนาเลยนะครับ หรือว่าหรือว่าไม่นับนับถือมากระทั่งศาสนาใดเลยกลับมีความขาวสามากกว่าเช่นประเทศนอร์สแกนดะิเนเะวียนนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์นหรือว่าเดนมาร์กอาจจะรวมถึงญี่ปุ่นด้วยก็ได้ประเทศเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีภาพลักษณ์ในทางศาสนาเหมือนกับไทยเขมรกัมพูชาแต่ว่ามีปัญหาคอร์รัปชันน้อยกว่าไม่ใช่ไม่มีนะมี นะแต่ว่าน้อยกว่าเยอะจริงๆเราพบว่าประเทศที่นับถือศาสนาเนี่ยนะไม่ว่าศาสนาพุทธคริสต์ إسلام เนี่ยถ้านับถือศาสนาอย่างจริงจังนะโดยไมแต่มีปัญหานี้ทั้งนั้นศาสนาอิสลามเนี่ยตอนออกกลางเนี่ยมีประเทศใดบ้างที่มีความมีชื่อเสียงด้านความามีปัญหาคอร์รัปชันน้อยแทบจะหาหาไม่ได้สักประเทศ รัฐละแต่มีปัญหาเรื่องคอรัปชันทั้งสิน้นประเทศในตอนกลางที่นับถือาศาสนาสานัาตปากีสถานยิ่งแล้วใหญ่นะอินโดนีเซียศาสนาคริสต์เอง ก, ก, ก็ไม่ได้พ้นจากปัญหานี้อิตาลีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือาศาสนามากและยิ่งถ้าอิประเทศทางใต้เนี่ยเช่นซิซิลีเนี่ยโอ้นับถือาศาสนาคริสต์มากแต่เราก็ทราบว่าซิซิลีเนี่ยนะก็ะขึ้นชื่อในเรื่องของมาเฟียในเรื่องของการคอรัปชันอิตาลีเป็นประเทศที่มีปัญหาคอรัปชันมาก นะพูดอย่างนี้มันแปลว่าอะไรนะไม่ได้แปลว่าศาสนามีส่วนในการส่งเสริมคอรัปชันนะฮะแต่มันจะแปลว่าศาสนาเนี่ยนะธรรมาขอเจาะจงพุทธศาสนาเนี่ยอาจเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เอาพุทธศาสนาหรือเอาหลักธรรมของพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้ในการดําเนินชีวิต อ, อย่างจริงจังอรรมาชาติพุทธศาสนาเนี่ย หรือแม้ทังศาสนาอื่นถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมของพระศาสดาแล้วเนี่ยก็ชื่อว่าคอร์รัปชันมันจะน้อยลงนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เอาศาสนามาใช้นะเพื่อการขัดเกลาหรือไม่ได้นำมาปฏิบัติอย่างจริงจังมันก็เลยเกิดปัญหาว่า ศาสนาประเทศใดก็ตามประเทศทั้งหลายที่นับถือศาสนาอย่างเคร่งครัดเนี่ยหรือว่าประชากรส่วโซยานับถือศาสนาเนี่ยก็เแล้วแต่มีชื่อเสียทางด้านคอร์รัปชันทั้งสิน้นนะหรือว่าแทบทั้งสิน้นมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าศาสนาไม่สามารถป้องกันได้ไม่ใช่ เ, เพราะว่าศาสนาเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้แต่เป็นเพราะว่าไม่ได้มีการเอาศาสนามาใช้กับการดําเนินชีวิต อย่างแท้จริงศนะาสนาที่เรานับถือกันมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เสริมอัตลักษณ์เพื่อที่เราจะบอกได้ว่าเราเป็นพุทธเราเป็นคริสต์เราเป็นมุสลิมนะแต่ว่าเราไม่ได้นำเอาม า, มาปฏิบัติและนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งสถาบันทางศาสนาเองนะยิ่งสถาบันมีอำนาจมากเท่าไหร่ การคอร์รัปชันเนี่ยก็จะรุนแรงมากเท่านั้นนะไม่ว่าศาสนาใดนะฮะเพราะว่าคอร์รัปชันกับผลประโยชน์เนี่ยมันมักจะมาด้วยกันผลประโยชน์มากถ้ากระจุกกระจุกตัวมากคอร์รัปชันก็เกิดขึ้นได้ง่ายอันนี้มาสะท้อนถึงถึงความอ่อนแอของมนุษย์ว่ามนุษย์เราเนี่ยน ะ, ะวันไหววันไหวง่ายต่อสิ่งรอบเร า, ว ย, าวยวยวน ที่ใดมีผล ป, ประโยชน์นะสิ่งเราเลี้างยวนก็จะมากขึ้นและถ้าากว่าจิตใจไม่มั่นคงก็จะพ่ายแพ้ต่อสิ่งเราเลี้ยยวนนั้นได้ง่ายอันนี้เกิดขึ้นทั้งกับคนทั่วไปแล้วก็นักพรตหรือว่านักกวดถ้าไม่ปฏิบัตินะครับนี้ กลับมาม า, มาสู่ประเด็นที่ว่าคอร์รัปชันเนี่ยนะเราจะแก้อย่างไรนะอาตมาคงจะไม่พูดถึงสาเหตุโดยตรงนะแต่ว่าจะมาพูดถึงวิธีที่จะป้องกันหรือว่าแก้ไขนะซึ่งาศาสนาอาจจะมีส่วนช่วยก็คือประการแรกเนี่ยนะ ผู้คนต้องเห็นโทษของการคอร์รัปชันอันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นปัจจัยพื้นฐานเลยถ้าเราไม่เห็นโทษของการคอร์รัปชันเนี่ยมันก็ง่ายที่เราจ ะ, อาะคอร์รัปชันนะฮะคนที่ไม่เห็นโทษของความโกรธนะก็จะสามารถระบายความโกรธหรือว่าปล่อยให้ความโกรธเข้ามาคร้องกัจายได้ง่าย คนที่เป็นโทษของอบายมุกคนที่เม็นโทษของอบุรี่สุรานะก็สามารถที่จะก็ง่ายที่จะดูดโดยอําอ น, อนาจครอบงาของสิ่งเหล่านั้นศา ส, สนาจะช่วยตรงนี้ได้อย่างไรนะในแา่พุทธศาสนาเนี่ยในพุทธศาสนามันมีคำสองคำนะคือว่าฮิริโอตปักฮิแปลว่าละอายต่อบาป อดตะปาบไปว่ากลัวบาปนะหลายคนเนี่ยไม่ทำเพราะรู้สึกละอายนะแม้ไม่มีใครเห็นนะก็ละอายที่จะทำแต่คนจะน้อยไม่ทำเพราะกลัวกลัวบาปบาปในที่นี้ก็หมายถึงโทษเช่นกลัวตกนรกนะกลัวเสียชื่อเสียงกลัวถูกจับ อาตมาคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยนะมันจะดีถ้าว่าเราไม่ทำชั่วเพราะเราละอายเพราะั้มันไม่ดีนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ทำชั่วเพราะเขากลัวสมัยก่อนเนี่ยความกลัวนรกมันทำให้คนไม่ทำบาปแต่สมัยนี้เราไม่ค่อยเชื่อเรื่องนรกแล้วนะแต่การที่เราเห็นโทษของของขอ ง, ของอบายามุขของการคอร์รัปชันเนี่ยมันก็ยังสำคัญอยู่ เดยเพราะการกลัวเกรงอำนาจของกฎหมายหรือความกลัวว่ามันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยนะไม่ไม่เป็นสุขความชั่วนั้นเนี่ยมันให้สุขชั่วคราวแต่ว่าทุกยาวนานคนไม่ค่อยหนักตรงนี้นะแม้เราจะทำสำเร็จนะแม้จะค o r r u p t i o นได้เนี่ยันก็สุขชั่วคราว ดีใจนะที่ได้เงินได้ทองมาอย่างรวดเร็วแต่ว่ามันทุกยาวนานเพราะว่ากลัวกลัวคนจะจับได้จะมีความรู้สึกผิดนะที่คอยทิ่มแทงใจอยู่ตลอดเวลายังไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าถูกจับได้เนี่ยติดคุกแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคุก หรือว่าโทษจำคุกเนี่ยมันแรงแล้วเมื่อสองวันก่อนนะฮะก็ ไ, ได้ข่าวใช่มฮอดีตพ อ, อออดีตทททในพอทททโดนจับคุกโดนตัดสินจับคุกไปห้าสิบปีมันคงไม่คุ้มเลยนะสำหรับเงินหกสิบล้านที่ได้มาไอตอนที่ได้มาก็ดีใจนะมีความสุขนะอันนี้สมมติว่าสิ่งที่สาตัดสินเป็นเรื่องจริงนะฮะตอนที่ได้มาก็มีความสุขนะ แต่ความสุขเนี่ยมันประเดียวประดาวมากเลยเพราะสุดท้ายเนี่ยพอมันความจริงมันถูกตีแผกมาอาตมาเชื่อเลยว่าจำเลยเนี่ยหรือผู้ต้องหาเนี่ยในช่วงสิบปีที่ผ่านมาไม่มีความสุขเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าอุทธรดีกาและศาลยังยืนยันก็แก็สามารถติดคุกเป็นสี่สิบห้าสิบปีนะจริงอยู่นะ กดมาไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ไปทุกกรณีไอ้คนที่คนที่ลอยนวลก็มีอยู่เยอะอาตมาคิดว่าคนที่ลอยนวลเนี่ยอาจจะมากกว่าคนที่ถูกตัดสินว่าผิดนะแต่มุมันก็จะแปลว่าเมื่อเราทําผิดแล้วเมื่อเรา ค, คาร์แร็ปั่แล้วเนี่ยเราจะลอยนวลแม้เปอร์เซ็นต์มันจะน้อยนะโดยเฉพาะคนที่มีเส้นใหญ่เปอร์เซ็นต์ที่จะถูก จับกลุ่มคุมขวงมีน้อยแต่ตาดใดที่มันมีความเสี่ยงนะที่จะต้องถูกดาเนินคดีหรือว่าถูกจำคุกเนี่ยมันย่อมทำความเดือดร้อนใจให้กับคนเหล่านั้นแม้เปอร์เซ็นต์มันจะมีแค่ 20% 3สซนาซะซึ่งถามว่าคุ้มไหมนะกับการที่ได้เงินก้อนใหญ่มาแล้วก็ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ มีเงินมาแล้วจะใช้ก็ลำบากเพราะกฎหมายฟ้องเงินเนี่ยมันก็ต่างไปติดๆนะจะซื้อของแต่ละอย่างเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะแล้วก็ต้องหาโอกาสมีคนกล่าวว่า ง, งานมอเตอร์โชว์เนี่ยนะจะมีเงินสะพัดประมาณสี่หมืล้านแล้วก็เป็นโอกาสที่จะมีการฟ้องเงินกันใช่ไหมก็ต้องรอรองานมอเตอร์โชวนะ์แล้วก็จะเจ้าเงินเนี่ยที่โกงเนี่ยมา มาซื้อรถยังไงเนี่ยไม่ให้มันมีหลักฐานอันนี้มันเป็นมันคือความทุกข์นะที่มันทำให้คนเนี่ยนะถ้าหากว่าพิจารณาสักหน่อยก็จะพบว่ามันได้ไม่คุ้มเสีย <c oughs> อย่างที่ธารมาเรียกว่าสุขชั่วคราวแต่ทุกยาวนานแต่ธารมาคิดว่านอกจากการที่เราจะเห็นโทษของ ข อ, ของของคอร์รัปชันแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรมากกว่า น, นั้นหลายคนเนี่ยรู้ว่าสูบบุหรี่กินเหล้าไม่ดีแต่เลิกไม่ได้ <c oughs> ขออภัยนะฮะ หลายคนรู้ว่าคอร์รัปชันไม่ดีแต่ก็ห้ามใจไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อโอกาสมันเปิดกว้างมันมีคำพูดนะที่ก็ติดตามท้ายรถสิบล้อเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นดีชัวรุ่มหมดแต่อดใจไม่ได้ไอ้ดีชัวรุ่มหมดเนี่ยคือสมองนะข้อมูลเนี่ยเราอ่านข่าวนะเราได้ฟังบรรยาย อาตมาพูดมาเนี่ยหลายคนเห็นด้วยนะดีชั่วรู้หมดนะอดใจไม่ได้นี่เคือเพราะทาไมหลายคนเลือกเหล้าไม่ได้หลายคนเลือกบุหรี่ไม่ได้ทั้งที่นีหน้าสองบุหรี่ก็บอกว่าสูบบุหรี่นะเกิดโทษอย่างไรโคศนาเขก็บอกว่ากินเหล้าเนี่ยทําให้สมองเสือเเส่อมเชกเสื่อมทุกคนก็เห็นก็กคนก็รู้ถ้าตอบแบบสอบถามก็ตอบได้ถูกต้องทุกข้อแต่มันอดใจไม่ได้ เพราะว่าแหละอดใจนี่หมายข้างในในใจเนี่ยในในคนสมัยเนี้ <c oughs> เรารู้ผิดชอบชั่วดีเนี่ยไม่ยากแต่ใจไม่มีพลังพอใจไม่มีพลังพอที่จะหักห้ามเมื่อมีสิ่งร่ารเราย่อยวนทำไม ทำไมจิตใจเราอ่อนไหวต่อต่อเงินทองทรัพย์สินที่มันเดี <c oughs> ๋ยวจะมาขอขอน้ำร้อเนี่ยนะแมสงสัยว่าจะมีปัญหาขอนำอุ่นหน่อยฮะมันอย่ากลัวพูดแต่ไม่ตอลกอทำไมค น, คนเราเนี่ยนะ เ, เมื่อมีสิ่งรอเราย้อนอยู่ตรงหน้าเนี่ย จึงห้ามใจไม่ได้โดยเพราะถ้าเราพูดถึงการค อ, อร์รัปชันนะคือเงินนะผลประโยชน์ก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเอาความสุขไปผูกติดกับวัตถุภายนอกเงินทรัพย์สมบัติ สิ่งเสพสิ่งเสพทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมนุษย์เราต้องการความสุขบนะมนุษย์ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นผุุ้ชนหรือว่าอริยบุคคลต้องการความสุขเหมือนกับต้นไม้ที่มันต้องการน้ำแต่ความสุขเนี่ยสำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความสุขทางวัตถุ เป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้จากการเสบวัตถุเมื่อเมื่อความสุขเนี่ยจะมีได้ก็จากการได้เสบวัตถุหรือการจากการที่ได้มีสิ่งเร้าจากภายนอกเช่นวัตถุกินอาหารอร่อยฟังเพลงเพราะหรือว่ามีรถมีบ้านนะมีเพชรพลอย นะมันอดไม่ได้นะฮะที่จะต้องตอแต่ใจที่ความสุขของเราเนี่ยมันผูกติดอยู่กับวัตถุเนี่ยมันย่อมมีความปรารถนา ที่จะแสวงหาและสะสมเงินทองมากขึ้นเพราะมีเงินมากขึ้นก็หมายถึงการมีวัตถุมีสิ่งเสพมากขึ้นและเมื่อมีสิ่งเสพมากขึ้นก็จะทำให้มีความสุขมากขึ้นตราบใดที่เรายังเอาความสุขของเราเนี่ยไปผูกติดอยู่กับวัตถุเนี่ยมันเป็นการยากที่เราจะไม่หวนไหวต่อผลประโยชน์ ที่จะมาคอยรอเราเยาะยวนใครที่บางใครบางคนก็มีความมีความมีความยับยั้งชั่งใจได้เนี่ยก็อาจจะไม่หวั่นไหวมากแต่คนที่มีความยับยั้งชั่งใจน้อยก็จะหวั่นไหวมากและยิ่งถ้าโอกาสมันเปิดกว้างก็เผลอใจมีคนหนึ่งที่เพูดไว้เนี่ยก็เป็นนักปรารับเราเงบอกว่าก็พูดแบบที่เรียกว่า มองมุ้นในแง่รายนะเขาบอกคนเราเนี่ยจะขอรับช่าหรือไม่อยู่ที่ว่าสองอย่างหนึ่งโอกาสสองค่าตัวนะโอกาสมีแต่ว่าถ้าผลประโยชน์มันแค่ร้อยสอง้อยก็ไม่เอาเพราะเพราะว่าอาจจะบอกว่ามันมันน้อยไปแต่ถ้าโอกาสดีแล้วผลประโยชน์เนี่ยสิบล้านเนี่ยจะปฏิเสธไหม หลายคนไม่เอาร้อยสองร้อยแต่ถ้ามันเป็นสิบล้านเนี่ยเอาหลายคนสิบล้านไม่เอาแต่ถ้ามันเป็นร้อยล้านพันล้านนี่เอานะเพราะว่าเขาคนเหล่านี้คิดว่าค่าตัวเขาเนี่ยมันไม่ใช่พันไม่ใช่หมื่นแต่มันอาจจะเป็นร้อยล้านอันนี้เป็นการมองมนุษย์ในในในแง่ลบนะแต่มันก็มันก็จริงสัส่วนใหญ่ด้วย เพราะเราพบ ว, ว่านักการเมืองคราชการทั้งผู้ใหญ่ก็จะไม่ไม่โกงเงินหมื่นเงินแสนแต่เขาโกงเขาคอร์รัปชันเมื่อมีเงินที่เมื่อมีประโยชเกี่ยวข้องเนี่ยสิบล้านเหลือจะไม่ให้สิบล้านแต่ร้อยล้านพันล้านเงินหมื่นเ ง, น ง, นงินแสนเนี่ยไม่ทำให้เข า, วาหวั่นไหวแต่ถ้าเป็นเงินล้าน สิบล้านร้อยล้า น, านพันล้านเนี่ยจิตใจเริ่มหม่นไวเพราะอะไรเนะี่ยเพราะลึกๆเนี่ยความสุขเขายัางผูกติดอยู่กับวัตถุอาตมาคิดว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะหวังพึ่มความสุขจากวัตถุให้น้อยลงและสามารถจะพบความสุขภายในพบความสุขที่ใจแต่เมื่อใดก็ตามที่เราพบความสุขที่ใจเนี่ยนะ เราจะเป็นทากระถูุสิ่งเสบน้อยลงเราจะเป็นทากรเงินทองน้อยลงเราจะหวั่นไหวต่อสิ่งรอเรายอยยวนทำนองนี้น้อยลงอาจมาคิดว่าสิ่งที่พุทธศาสนาหรือศาสนาจะช่วยได้เนี่ยก็คือการที่ทำให้เราได้พบความสุขภายในนะความสุขที่เกิดจากการทำความดีความสุขที่เกิดจาก สมาธิภาวนานะความสุขที่เกิดจากการที่ได้ทำสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะความสุขมีหลายประเภทนะแต่คนส่วนใหญ่รู้จักแต่ความสุขประเภทเดียวคือความสุขจากสิ่งเสพคือถ้าได้เสพจึงจะมีความสุขถ้าได้ครอบครองจึงจะมีความสุขแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาเห็นนะว่า มันมีความสุขที่ประเสริฐเนี่ยความสุขที่เกิดจากภายในเนี่ยเขาจะไม่หวัน่นไม่หวั่นไหวต่อสิ่งร่ำ ร, รยายยว น, เ, นยเพราะเขารู้ว่าไอ้สิ่งที่มันกองอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือผลประโยชน์เนี่ยมันให้สุขชั่วคราวแต่ทุกยาวนานพระเจ้าเปเรียบเปเรียบความสุขทางวัตถุ หรือที่เราเรียกกา ร, ระสขว่าเหมือนกับเหมือนกับคบไฟที่ทำด้วยยญ้าแห้งเวลาจุดนีนะ่มันให้แสงสว่างจริงแต่มาเป็นแสงสว่างที่ไม่ไม่ใสไม่นำซ้ำเนี่ยมันมีควันที่ระคายเคืองนะและถ้าถือไว้นานๆเนี่ย ไฟมันก็จะไหม้มือร่วกมือนึกออกใช่ไหมฮะก็ไฟที่เราถือไว้ถ้ามันทำด้ยด้าฟานเนี่ยเราถือไวเไ้เนี่ยจุดไฟนีมันสว่างก็จริงนะแต่ว่าควัน ม, มันก็เยอะนะแล้วก็ถ้าถือไปนานๆมันก็ร่วมกวมือหมายความว่ามันเป็นสุขที่เจือด้วยทุกนะแล้วมันทุกเนี่ยบางทีมากกว่าสุขนี่ถ้ากิดว่าคนเรานเนี่ยเข้าถึงความสุขที่ประณีตนะถ้าเราเห็นว่าถ้าเราไปพบว่า มันมีแสงสว่างที่ดีกว่าแสงสว่างที่เกิดจากคบไฟเช่นหลอดไฟเนี่ยงั้นถ้าเราถ้าเราเห็นหลอดไฟแล้วมี อ, อถ้าเราพบหลอดไฟแบบนียเราจะยังใช้ไฟที่มันจุดด้วยทำด้วยยาแห้งั้มเราก็ไม่เอาใช่ไหมฮะมนุษย์เราเนี่ยเราจะปฏิเสธสิ่งรอบเราจออย่ในทางวัตถุได้ง่ายเมื่อเราค้นพบความสุขภายใน คนอย่างอาจารย์ป่วยอยุ้งาก่อนเนี่ยท่านเป็นผู้อาวุโสชาติมา12ปีเกือบ13ปีนะแล้วก็ท่านอยู่อย่างสมถ t มากท่านอยู่อย่างสมถ t h ใครจะให้ผลประโยชน์ท่านยังไงท่านก็ไม่เอาแม้แต่ผลประโยชน์ที่ชอบทําเช่นของขวัญวันปีใหม่ได้ของขวัญมาเต็มโต๊ะเลยนะฮะท่านก็จะเรียกให้เจ้าพนักงานให้พนักงานลูกน้องท่านะ มารับไปทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นท่านแจกหมดนะท่านจะเหลืออยู่อย่างเดียวนะคือสมุดปฏิทินเล็กๆเอาไ้จดลัดหมายที่เหลือท่านแจกหมดนะนี่ขนาดเป็นผลประโยชน์ที่ชอบทำํำนะนับภาษาอะไรกับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบทําถ้านไม่รับเลยท่านก็ไม่ใช่คนรวยนะบ้านท่านก็เป็นบ้านมาอยู่แถวซอยอารีสมัยก่อนนะขับรถเองไปทํางานโดยเฉพาะเมื่อเป็นเมื่ออยู่ ธรรมศาสตร์ทำไมคนอย่างอาจารย์ป่วยนีย่ถึงสามารถปฏิเสธผลประโยชน์ที่หามาได้ง่ายนั่นเพราะว่าถ้ามีความสุขกับความกับชีวิตที่เรียบง่ายถ้ามีความสุขกับการที่ได้เล่นดนตรีถ้ามีความสุขกับการที้อยู่ท่ำกลางธรรมชาติท่าไม่ใช่เป็นคนที่เคร่งศาสนามากแต่ว่าท่านเป็นคนที่รักษาศีลอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเคร่งครัดในศีลข้อหนะ้านะท่านยังชอ บ, บรั่งดีชอบไวนะ แต่ว่าสิ่งข้ออื่นนท่านท่านท่านรักษาไว้ดีและถ้ามีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายอาจจะยป่วยไม่ใช่เป็นพระนะแต่ว่าสามารถจะเข้าถึงความสุขที่ที่ไม่ต้องอิ่มวัตถุมากมีความสุขจากการที่ได้ศึกษาหาวิชาความรู้ท่านชอบอ่านหนังสือท่านชอบเป็นผู้ฝ่ายรู้ถ้ามีความสุขการอ่าวนวรรณคดีถ้ามีความ ความรู้ความมีความรู้สึกดื่มด่ากับศิล ป, ปะแบงค์ชาตจึงเป็นจึงเป็นสถานที่แรกๆในภาคในภาครัฐที่สะสมภาพของศิลปินไทยนะฮะเพื่อส่งเสริมศิลปินไทยแล้วก็เพื่อสเสริมสร้างบรรยากาศที่เพื่อส่งเสริมลรสนิยมในทางศิลป์สุนทรียะแบงค์ชาติเริ่มก่อนนะฮะนะเก็บสะสมซื้อภาพของศิลปินไทยเนี่ย อันนี้ก็เริ่มต้นจากการเผิดเพราะท่านมีเซนส์ทางด้านของความงามท่านจึงรักษาความดีไว้ได้และถ้าเป็นคนที่ฝ่ายหาความจริงศึกษ า, าวิชาความรู้เสมอนะพอท่านเข้าถึงความดีความงามความจริงเนี่ยนะให้การที่จะอ่อนแอหวันหว่นไหวต่อผลประโยชน์มันก็น้อยลงและสิงเนี่ยคือสิ่งที่ศาสนาเนี่ยช่วยเราได้คือช่วยทำให้เราได้เข้าเข้าถึงขุมทรัพย์ที่สําคัญ ที่มอยู่แล้วในใจเราเนี่ยคือความสุขความสุขที่ประณีตความสุขที่เกิดจากการที่ได้ทํางานทํางานด้วยฉันทะทำงานอย่างสนุกไม่ใช่ทํางานเพราะหวังผลประโยชน์แต่ทํางานเพราะว่างานมันให้อะไรเรามากมายนะมันทําให้เราเกิดความภาคภูมิใจในชีวิตมันทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตตัวเองมีคุณค่าอันนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะที่ทําให้หลายคนเนี่ยนะแม้จะไม่ใช่เป็นคนธรรมธโมมากนะแต่ก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริต นะแล้วเขาก็สามารถที่จะสร้างสรรผลงานนะได้ดีอัตมาคิดว่าคนเราเนี่ยถ้าหาว่าเข้าถึงความสุขเหล่านี้เนี่ยนะการที่จะพลังเผลอจนกระทั่งเป็นเหยื่อของผลประโยชน์เนี่ยก็จะน้อยลงกลารมีสติก็สำคัญนะสติหลายคนเนี่ยนะ เผลอหลายคนเนี่ยถูกข้อหาคอร์รัปชันยักยอกนะเบียดบางผลประโยชน์เนี่ยไม่ใช่เพราะนิสัยสันดานเป็นอย่างนั้นแต่เพราะเผลอครับเผลอคือคนเราเนี่ยมีความอ่อนแอแม้เราจะอยากจะทำดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดมามีโอกาสเปิดกว้าง มีคนมาเสนอสินบนใหนะ้และยิ่งตอนนั้นเนี่ยอาจจะยังอาจกำลังร้อนเงินโอกาสที่จะเผลอนะแล้วก็รับสินบนจนกระทั่งกลายเป็นตราบาปของชีวิตมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายคนเราพังเผลอได้ง่ายฮะมันไม่ ช, ชอบพังเผลอเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์บางทีก็พังเผลอในเรื่องของ เรื่องของเพศนะพังเพื่อนในเรื่องของอบายมุกเพราะมนุษย์เราเนี่ยนะมีสิทธิที่จะพังเพื่อกันได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเรามีสตินะฮะเรามีสติเนี่ยเราก็จะสามารถยับยั้งชั่งใจได้แม้ว่าโอกาสจะเปิดกว้างแม้ว่าผลประโยชน์จะอยู่ข้างหน้า <c oughs> บางทีมีคนทำเงินตกหล่นเอาไว้นะในกระเป๋าเนี่ยนะมีเงินเนี่ย เป็นล้านบางคนทิ้งหรือลืมสร้อยเพชรเอาไว้แหวเพชรเอาไว้แล้วมีคนมาเจอหลายคนก็ไม่มีนิสัยขโมยนะแต่เห็นมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยและวบิงเออไม่มีใครเห็นก็ง่ายที่จะเอาไปนะอันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะเอาความสูงไปปูติดกับวัตถุอย่างที่อาตมาว่ามาอีกส่วนหนึ่งเพราะขาดสติฮะ สิ่งรอบเราเย้ายวนเนี่ยมันมันมันเย้ยเยยเย้วยวยวยาวนจนจนลืมตัวคนเราทำชั่วเนี่ยเพราะลืมตัวก็ไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่เพราะนิสัยสันดาลนั้นถ้าเราถ้าเราไม่มีสตินะแม้เราอยากจะเป็นคนดีอย่างไรบางทีเราก็เผลอเราไม่สามารถจะดีอย่างที่เราคิดได้เราพลาดไปแล้วเพราะไม่มีสตินะ การมีสติสําคัญนะครมีสติสําคัญหรือไม่เชนั้นต้องมีสิ่งที่พุทธศาสนาเรียกว่าตบะตบะนี่เป็นหนึ่งในสิทธิของทศวิรัชธรรมนะครผู้ปกครองหรือกษัตริย์ทุกคนต้องมีทศพิรัชธรรมและข้อหนึ่งก็คือตบะตบะคือความอะไรคือความจับข่มใจเมื่อมีสิ่งรอเราเย้ายวนต่างจากขันตินะขันติคือความรู้สึก ตั้งขันติ ค, คือความอดทนเมื่อมีสิ่งมา ย, ยั่วยุเมื่อมีปัญหาเมื่อมีอุปสรรคเมื่อมีสิ่งที่ไม่ถึงประสงค์บังเกิดขึ้นเจออุปสรรคเจอความยากลำบากเจอคาต่อว่าด่าทอแต่ก็อดทนไม่หวั่นไหวไม่ท้อแท้อันนี้เรียก็ขันติแต่ถ้าเจอสิ่งล่อเรา ย, ยั่วยุเนี่ยซึ่งล้วนแล้วแต่ชวนให้ชวนให้ สุขสบายและถ้าเราไม่มีตะบะเราไม่มีความรู้จับข่มใจเนี่ยเราก็จะคล้อยตามหรือว่าตกเป็นเหยื่อของสิ่งล่อเราโยโยนง่ายๆสมัยนี้เนี่ยนะเราไม่ค่อยสนใจเรื่องตะบะแล้วนะแต่ถ้าเราใช้ความรู้จับข่มใจนะีแล้วความหมดข่มใจเนี่ยมันจะเกิดได้ดีก็ ต, ต้องมีสติไม่ทําให้เราเนี่ยไม่ไม่ไม ไม่เผลอไม่พลังได้ง่ายนะครอันนี้คือคืออัตอมาเราียกปัจจัยภายในนะปัจจัยภายในนะการเห็นโทษของก่อนคอร์รัปชันการที่เข้าถึงความสุขโดยไม่อิงวัตถุมากการที่มีสตินะไม่วอนไหวทำให้ทาให้รุดไม่ลืมตัว แม้จะมีสิ่งรอดเราย้อนยวนมาอาจทำให้บางคนหลงแต่เราไม่หลงนะเพราะเรามีสติเรารู้จักข่มใจนะซึ่งธารมพุทศาสนาตบบัติเดี๋ยวเราก็ตายธรรมพุทศ า, ส, า, ส, าสนาเนี่ยเรามองว่าแค่นี้ไม่พอนะฮะมันต้องอาสศปัจจัยภายนอกด้วยคนเราจะทําความดีได้เนี่ยความตั้งใจดีไม่พอนะสิ่งว่าเราต้องช่วยต้องมีส่วนช่วยพระศา ส, าสานาจะให้ความสําคัญกับปัจจัยและสิ่งวัลลภมากเช่นการมีกัลยาณมิตร การมีมิตรที่ดีการมีสิ่งแวดล้อมที่อำนวยเช่นจะไปปฏิบัติธรรมได้เนี่ยผู้เจ้าบอกว่าจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าสัพไพยะสิ่งแวดล้อมที่สัพไพยะมีคนแวดล้อมที่เกื้อกูลสัพไพยะจะแปลว่าเกื้อกูลนะภาษาไทยเราเรียกว่าสบายเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมสิ่งแวดล้อมเช่นมีอาหารที่พอเพียง มีอากาศที่ดีนะแล้วก็มีคนแวดล้อมที่เกื้อกูล <c oughs> คนเราเนี่ยจะจะมั่นคงในความดีได้เนี่ยต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมันมีการทดลองง่ายๆนะในบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยเขามีการทำเาขามีการ แต่รเรียกว่าริการก็ไม่เชิญนะกาแฟน้ําชามาชงได้แต่หยอนเงินเองใช่ไหมฮะใครต้องการชงกาแฟมาหยอดเงินแล้วก็พบว่าบริษัทนี้พบว่าไอ้เงินที่ได้เนี่ยมันน้อยมันก็พราคนเนี่ยไม่ได้ทุกคนที่หยอนเงิน ทางที่กาแฟไม่ใกาแฟฟรีนะคุณจะคุณจะกินกุ้งยอดบางคนไม่ยอดเขาก็เริ่มทําการทดลองนะโต๊ะเนี่ยตรงข้างฝาเนี่ยที่ติดกับโต๊ะที่มีบริการกาแฟเนี่ยอาทิตย์แรกเนี่ยเขจะเป็นรูปดอกไม้ข้างฝาเนี่ยนะอาทิตย์ที่สองเนี่ยจะเป็นรูปคนเป็นรูปหน้าคน ขยายใหญ่เลยอาทิตย์ที่สามเป็นรูปทิวทัศน์อาทิตย์ที่สี่เป็นรูปหน้าคนอาทิตย์ที่ห้าเป็นรูปภูเขาทะเลอาทิตย์ที่หกเป็นรูปหน้าคนแล้วเขาดูจำ น, น, นวเ น, งนะ น, ว เ, นเงินในกระป๋องเขาบอกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงนะอาทิตย์ไหนที่เป็นรูปทิวทัศน์เนี่ยเงินในกระเป๋าเนี่ยน้อยอาทิตย์ไหนเนี่ยนะที่มีรูปคนหน้าคนมองอยู่นะเงินในกระป๋องจะเยอะ อาทิตย์ตมาที่สามเนี่ยเงินก็จะลดทั่วเพราะว่าภาพเป็นภาพเบี้ยวถือชัดอาทิตย์ที่ททสี่เนี่ยเงินในกระป๋าก็จะเพิ่มมากขึ้นนะมันขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยแปลว่าอะไรฮะแปลว่าอาทิตย์ไหนถ้ามีรูปหน้าคนเนี่ยติดอยู่ที่ข้างฝาเนี่ยคนจะค่อนข้างจะซื่อสัตย์มากเลยจะไม่เบี้ยวเพราะอะไรฮะเขารู้สึกว่าคนเนี่ยเขารู้สึกว่ามีคนเฝ้ามอง พอมีพอสอมมติคนฟังมองเขาจะซื้อตรงก็จะไม่เบี้ยวอันเนี้ยนี่เป็นการทดลองที่ชี้เห็นนะว่าสิ่งว่าล้อมภายนอกเนี่ยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนนะเพียงแค่เอาภาพเนี่ยมาติดเนี่ยนะภาพยูพทยูบถ้าหรือภา พ, ห, ภาพหน้าคนเนี่ยมันส่งผลต่อพฤติกรรมคนแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นแปลว่าการที่คนเราจะซื่อสัตย์ไม่ไม่ไม่โกงได้นี่นะสิ่งแวดล้อมสาคัญคนะ มันมีมันมีมัน ม, ม, นมีมันมีการทดลองมากมายที่เชียนว่าเพียงแค่เราเปลี่ยนสิ่งแวดลอ้อมพฤติกรรมคนก็จะเปลี่ยนในทางดีก็ได้ในทางแย่ก็ได้อันนี้รวมถึงการการกระจายผล ป, ประโยชน์ในสายพุทธการเนี่ยในในพระติยมีเรื่องของเมืองเมืองหนึ่งนะอันนี้ผู้เจ้าเราเมืองนี้เนี่ย พระราชาเนี่ยมีความวิตกกังวลมากเพราะโจรผู้รายมากขึ้นพระราชาคิดว่าจะต้องเพิ่มโทษให้ม่ให้แรงขึ้นนะต้องประหารชีวิตปรึกษาปูโรหิตปุโรหิตบอกว่าทำอย่างนั้นเนี่ยมีแต่จะทำให้โจรมากขึ้นต่อไปโจรจะฆ่าเจ้าทรัพย์ตายมากขึ้นผูโรหิตเสนอว่าหนึ่ง ให้เอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยเมล็ดพันธุ์เนี่ยเช่นพันธุ์ข้าวพันธุ์พันธุ์ธัญญาหารเนี่ยเอาไปแจกให้เกษตรกรให้ทั่วถึงสองให้เงินทุนกับพ่อค้าหวานนิดเพื่อจะได้ใช้ประกอบการค้าให้ทั่วถึง้อที่สามให้เบี้ย ว, วัดหรือเงินเดือนเนี่ยกับข้าราชการเรีนาอัมมาให้ทั่วถึงแล้ว โจนผู้ร้าจะลดน้อยลงพระราชาเชื่อนะพระราชาทำตามเรากลว่าโจนลดน้อยลงจริงๆบ้านเรือไม่ต้องปิดประตูเด็กก็มีความสุขนะอยู่กับแม่ฟอนอยู่ฟอนในภาษาภาษาไทยพื้นถิ่นเารียกว่าเด็กฟอนอยู่ในอกแม่ปูโรหิตไม่ได้บอกว่าให้เพิ่มโทษมากขึ้นปูโรหิตไม่ได้บอกว่าให้เพิ่มการเทศนาสั่งสอนได้มากขึ้นแต่ทําให้เศรษฐกิจหรือว่าทําให้ผลประโยชน์นี่มันกระจายทั่วถึง พฤติกรรมคนก็จะเปลี่ย น, นการฆ่าฆ่าฟันการโกงการโจรผู้ <S <S รา้าก็จะลดน้อยลงอันนี้เป็นตัวอย่างไปเรื่องราวในพระไตรปิฎที่เชื่พฤติกรรมคนเนี่ยจะเปลี่ยนคนจะมีศีลมากขึ้นถ้ า, าว่ามันมีจะเรียกว่าการสงเคราะห์หรือว่าระบบเศรษฐกิจที่ดีและน่าสนใจนะฮะ ในประเทศเขามีการทำวิจัยมากมายนะเปรียบเทียบลองประเทศที่ร่ำรวยตั้งแต่ญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์มาจนถึงเดนมาร์กสวีเดนอังกฤษอเมริกาเขาบว่าประเทศที่มีมีความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้น้อยเท่าไหร่เนี่ยอาจจา ก, กรรมก็น้อยตามไปด้วย ประเทศที่มีช่องว่างทางรายได้มากอาจฉรกรรมก็จะเพิ่มขึ้นประเทศที่มีช่องว่างทางรายได้น้อยสิ่งแวดล้อมก็จะดีกว่าประเทศที่มีช่องว่างทางรายได้มากรวมถึงสุขภาพอนามัยและความรังเกียจคนต่างด้าวคนแปลกหน้ามันแปลว่า สิ่งว่ารอบเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีผลต่อพฤติกรรมและจิตสํานึกของผู้คนด้วยอันนี้เขาเปรียบเทียบเฉพาะประเทศที่ร่ารวยนะมาเปรียบเทียบกันแต่เขาไม่ได้ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศที่ร่ำรวยกับประเทศที่ยากจนหรือประเทศที่มีไรายได้ปลานการอย่างประเทศไทยแต่ว่า น, น่าสนใจว่าสภาพสังคมเนี่ยหรือสิ่งว่ารอมเนี่ยมีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์นะฉะนั้นตมาคิดว่าเวลาเราพูดเรื่องคอร์รัปชันเนี่ย มันไม่พอนะที่เราจะบอกว่าให้ทําดีทําดีทําดีนะให้กลัวบาปนะมันไม่พอเหรอฮะเราต้องสร้างสิ่งบ้านล้อมที่เอื้อเฟื้อกเกื้อกูลให้คนเนี่ยนะมีความซื่อสัตสุจริตซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องอไปว่ากันนะแต่คณ น, นี้ที่ตมาพูดมาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการ ป้องกันการคอร์รัปชันส่วนบุคคลหรือการป้องกันการคอร์รัปชันในลักษณะที่เป็นการทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่ธรมาบอกว่าลการทุจริตเนี่ยมันไม่ได้มีการทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียวมีการทุจริตเพื่อส่วนรวมก็ได้เช่นเพื่อองค์กรของตัวนะธรรมาทราบดีว่าทางเอ็กโกก็ดีแล้วก็บริษัทไร้แห่งเนี่ย ให้ความสําคัญกับการที่เจ้าหน้าที่องค์กรเนี่ยนะจะไม่ไปให้สินบนนะกับเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่แค่เรียกรับสินบนนะแต่การให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐมันก็เป็นปัญหาที่ส่งเสริมคอร์รัปชันภาคธุรกิจในเมืองไทยจํานวนไม่น้อยเลยเนี่ยนะเขาจะรู้สึกว่าการให้สินบนกับเจ้าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย เป็นสิ่งที่ปฏิเสธได้ยากอันนี้ใช่ไหมใช่ทัเมืองไทยนะประเทศที่ทำทำธุรกิจกับเมืองไทยเช่นอเมริกาเนี่ยอเมริกาเนี่ยนะนักธุรกิจที่จะมาทาที่มาติดต่อกับภาครัฐฝ่ายไทยเนี่ยหลายแห่งเขาเห็นว่าจำเป็นต้องให้สินบนนะที่เป็นข่าวเนี่ยกรณีผู้ว่าทอทอ ท, อทอก็ดี ข่าวโรลสรอยที่ ท, ท, ที่ทางการสาระพบ ว, ว่ามีการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ไทยที่ปตทหรือว่าองค์กรพลังการก็ดีเนี่ยอาตมาคิื่ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ทำทั่วไปของบริษัทธุรกิจนะที่มีที่มีปฏิสัมพันธ์หรือมีธุรกรรมกับภาครัฐเพราะเขาคิดว่า ถ้าเขาไม่ทําเช่นนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สัมปทานหรือไม่ได้โอกาสที่จะมาทําธุรกิจแต่ท่านมาคิดว่าถ้าสัตินี้ไม่ใช่มีกับองค์กรธุรกิจเมืองนอกองค์กรธุรกิจเมืองไทยก็ตระหนัก ด, ดีว่าหรือว่ายอมรับว่าการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะอาตมาคิดว่าทางเอโก้เนี่ยก็คงจะเห็นว่าไม่ควรทาอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ทำแล้วคนอื่นทำเนี่ยเราก็เสียเปรียบนะอันนี้มันกลายเป็นแรงจูงใจที่ทำให้ต้องทำอย่างนั้นบ้างเพราะใครๆเขาก็ทำกันแต่อาตมาคิดว่ า, าต้องคิดใหม่นะนะเราก็คิดใหม่ว่าการทำเช่นนั้นเนี่ยแม้ดูเหมือนจะให้ผลประโยชน์ กับองค์กรของเราแต่เป็นระยะสั้นในระยะยาวแล้วเนี่ยมันจะเป็นผลเสียผลเสียเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์นะฮะไม่ใช่ภาพลักษณ์อย่างที่โลสลอยตอนนี้กำลังเสียภาพลักษณ์เพราะว่าเพบว่าเนี่ยให้สินบนนะกับทางเจ้าที่ไทยมันไม่ใช่แค่การเสียภาพลักษณ์นะเมื่อพบว่ามีการให้สินบนกับเจ้าที่นะแต่มันจะทาให ในระยะยาวแล้วเนี่ยองค์กรเนี่ยขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรธุรกิจใดก็ตามเนี่ยที่อยู่ได้เพราะคอร์รัปชันเนี่ยเพราะการให้สินบนเนี่ยจะไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาหรือเพิ่ม productivity หรือผลิตภาพจะเพิ่มทำไมอ่ะใช่ไหมก็ยัดเงินไปเดี๋ยวก็ได้ ได้มีโอกาสทางธุรกิจแล้วนะเดี๋ยวนี้เนี่ยแรงจูงใจขององค์กรธุรกิจนะที่จะพัฒนาโปรเจกติวิตี้เนี่ยมันน้อยลงเพราะรู้ว่าช่องทางในการทำธุรกิจนะหรือว่าการการทำธุรกิจในเมืองไทยอาศัยเส้นสายอาศัยเสินบนนะมันจะลดแรงจูงใจในการที่จะพัฒนา ผลิตภาพพัฒนาประสิทธิภาพหรือว่าในการวิจัยในเมืองนอกนี่นะองค์กรธุรกิจเนี่ยหลายแห่งเนี่ยเขาจเจริญเพราะว่าเขาเห็นความสำคัญของการพัฒนา productivity การเพิ่มผลิตภาพขึ้นมาการเพิ่มประสิทธิทภาพ <c oughs> เพื่อจะได้แข่งกับจะได้แข่งกับได้มีความได้เปลี่ยนนะในทางธุรกิจแต่ในเมืองไทยเนี่ยเราสจอความได้เปลี่ยนเนี่ยอยู่ที่เส้นสาย ถ้าตาจะริ่คิดว่าความได้เปี่ยทางธุรกิจอย่ที่เส้นสายอยู่ที่การให้สินบนนะในระยะยาวเนี่ยนะจะไปไม่รอดเพราะไม่ได้พัฒนาประสิทธิภาพนะไม่ได้ทําการาพัฒนาคุณภาพของสินค้าเพื่อที่จะได้ลดต้นทุนแต่ว่ามีามีมีประสิทธิภาพดีกว่าธุรกิจ ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่อันนี้อันนี้ทั้งโลกนะฮะมันต้องแข่งกันด้วยประสิทธิภาพหรือคุณภาพประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพของสินค้ามากขึ้นถ้าไม่มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะก็จะถูกทิ้งรกตออย่างเช่นโนเกียโนเกียเนี่ยเมื่อสิบปีก่อนเนี่ยโหเป็นสุดยอดของอันดับหนึ่งของ โทรศัพท์มือถือใช่ไหมฮะตอนนี้มีใครซื้อนมีใครใช้โนเกียบ้างไม่ใช้กันแล้วใช่ไหมฮะเพราะอะไรฮะคุณภาพสินค้ามันสู้ a m ม u n งสู้ iPhone ไม่ได้จะ แ, แข่งด้านราคาเนี่ยมันแข่งจะ แ, แข่งด้านราคามันไม่พอมันต้องแข่งที่คุณภาพของสินค้าและประสิทธิภาพในการผลิตรวมทั้งมาร์เก็ตติ้งด้วย แาตมาคิดว่าองค์กรธุรกิจไทยเนี่ยนะเราไม่ทําตรงนี้นะเราคิดแต่ว่าเออถ้าถ้ามีเส้นสายกับภาคภาค ภ, ภากรัฐดีนะเรามีความสัมพันธ์กับภาครัฐเราก็จะอยู่ไปได้เรื่อยๆอันนี้คือการฆ่าตัวตายในระยะยาวเพราะว่าถ้าคุณไม่พัฒนาคุณภาพสินค้าบริการไม่เพิ่มผลิตภาพ หากไม่ใช้วิธีทางรัฐนะมันจะเกิดผนเสียนะกับองค์กรในระยะยาวพู้ง่ายคือว่ามันจะทำลายสมรรถนะในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาวด้วยนั่นทะำมาคิดว่าตรงนี้นะเป็นสิ่งทีอ่องค์กรธุรกิจเนี่ยควรจะตั้งนะซึ่งอาตมาชื่อว่าทางเอโกเนี่ยนะก็พยายามที่จ ะ, ะกระตุ้นให้คนเห็นความสำคัญขอ ง, องนี้ว่า อย่าไปแข่งกับคนอื่นในเรื่องการให้สิ่งบนอย่าไปแข่งกับองค์กร อ, อื่นในเรื่องของเส้นสายเท่านั้นนะหรือว่าไม่ควรจะทำไลได้วยซ้าแต่พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการพัฒนาปริภพัพฑซึ่งต้องอาศัยการวิจัยต้องอาศัยการคิดคนนะมันจะเป็นการเพิ่มความได้เปรียบในระยะยาว แม้ในระยะสั้นเนี่ยอาจจะเสียเปรียบก็ไปบ้างเพราะว่าไม่ยอมใช้เส้นสายหรือว่ า, าไม่ยอมที่จะให้สินบนกับภาครัฐอาตามาคิด ว, ว่ า, าตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยวิสัยทัศนะ์และต้องเชื่อว่าคุณภาพเท่านั้นที่จะทำให้อยู่ได้ ไม่ใช่เส็จสายอาตมาก็ใช้เวลาพอสมควรนะฮะก็คิดว่าคงจ ะ, อะข อ, อะยุติเพียงเท่านี้แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดมีความเห็นหรือข้อสงสัยก็ขอเชิญได้กราบขอบคุณพระอาจารย์ค่ะสำหรับข้อธรรมที่ได้มาบรรยาย ใ, ให้กับพวกเราในวันนี้นะคะทั้ง า็ทำที่ช่วยทำให้ไม่หลงไปกับการคอราา์รัปชันในส่วนของบุคคลก็ระดับองค์กรนะคะในเรื่องของศาสนาที่เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าถึงความสุขจากภายในนะคะ